วันนี้เป็นวันศุกร์ที่6เมษายนพุทธศักราช2561เป็นวันหยุดราชการเป็นวันหยุดทำงานของญาติโยมจึงถือว่าเป็นวันกำไร วันกำไรบุญเป็นเพราะว่าถ้าวันนี้ต้องไปทํางานก็จะไม่มีโอกาสได้มาทําบุญนั่นเองดังนั้นพอเรามีวันหยุดถ้าเราชอบบุญเรารักบุญเราก็ถือว่าเราได้กําไรเพราะเราจะได้มาทําบุญเพิ่มเติมเพราะบุญนี้ เป็นเหตุของความสุขใจเป็นความสุขใจที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขต่างๆที่เราได้จากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจากการบันเทิงจากมหรสพต่างๆนั้นสู้ความสุข ที่ได้จากการทำบุญไม่ได้พราะความสุขจากการทำบุญเป็นความสุขที่ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่เหมือนกับความสุขทางอื่นที่มีมีพิษมีภัยตามมาเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจตามมาเพราะความสุข ที่ได้จากสิ่งต่างๆนั้นสามารถที่จะหมดไปได้เมื่อหมดไปแล้วก็จะทำให้มีความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายมีความเศร้าโศกเสียใจแต่ความสุขที่เกิดจากการทำบุญเป็นความสุขที่ไม่มีพิษไม่มีภัยเป็นความสุขที่อยู่กับใจ ที่จะคอยดูแลใจให้มีความสุขไปได้เรื่อยๆดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อการทำบุญถ้าเรามีโอกาสมีเวลาเอาเวลาเอาโอกาสนี้มาทำบุญกันเถอะจะ <c oughs> ไม่ ไม่ขาดทุนจะมีแต่ได้กาไรพ่อบุญนี้จะอยู่กับเราไปสนับสนุนเราดูแลเราป้องกันเราไม่ให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆไม่เหมือนกับความสุขอย่างอื่นเป็นที่จะมาคอยสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากเขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วก็อาจจะหมดไปได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เวลาได้มาก็ดีใจแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับการคอยดูแลรักษาต้องคอยห่วงต้องคอยห่วง จะห่วงอย่างไรจะห่วงอย่างไรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปพอสูญเสียไปความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นก็หมดไปที่ตามมาสิ่งที่ตามมาก็คือความเศร้าโศกเสียใจความเหงาความว้าเหวเพราะไม่ได้มีอะไรมาให้ความสุข แต่ความสุขที่เกิดจากการทำบุญนี้เราสามารถทำได้อยู่เรื่อยๆเพราะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สิ่งต่างๆมาทำนั่นเองบุญที่เราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำนั้นมีอยู่สิบประการด้วยกันมีอย่างเดียวเท่านั้นที่ต้องใช้เงินทอง บุญที่เกิดจากการทำทานนอกจากนั้นแล้วไม่จาเป็นไม่มีเงินทองเราก็สามารถทำบุญได้เราก็สามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาและบุญที่เกิดจากการทำทานก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเราไม่มีเงินวันไหนเราไม่มีเงินทำบุญทำทานเราก็ไม่ต้องทำก็ได้ ไม่ทำก็ไม่ได้ทำให้เรา <c oughs> รู้สึกเศร้าอกเศร้าใจเสียอกเสียใจหรือรู้สึกเหงาว้าเวต่อย่างใดเพราะเราสามารถทำบุญแบบอื่นได้เหตการททำบุญนี้เป็นการกระทำที่ง่ายง่ายกว่าการไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆการา ความสุขจากสิ่งต่างๆนั้นจำเป็นจะต้องมีปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างด้วยกันคือหนึ่งร่างกายก็ต้องสมบูรณ์แข็งแรงสองก็ต้องมีเงินทองไวเอาไปใช้ใจ่ายไปซื้อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขพอเวลาร่างกายไม่สบาย ก็จะไม่สามารถไปหาความสุขต่างๆได้หรือเวลาไม่มีเงินทองก็จะไม่สามารถไปหาความสุขได้แต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราชาวพุทธหากันนี้เราหาได้กันตลอดเวลาร่างกายจะแข็งแรงหรือไม่ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ ก็เราก็สามารถที่จะหาความสุขทางใจได้ดังนั้นขอให้เรามาศึกษาวิธีสร้างความสุขด้วยการทำบุญกันเถิดอย่างที่ได้พูดไว้แล้วการสร้างบุญสร้างความสุขใจข้อที่หนึ่งก็คือการทำทานการทำทานนี้ก็หมายถึงสำหรับผู้ที่มีเงินทอง ที่จะเอาเงินทองไปซื้อความสุขในรูปแบบอื่นจะเอาเงินทองไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อแต่เห็นแล้วชอบเห็นแล้วอยากได้มีเงินทองก็เลยเอาไปซื้อพอถ้าเอาเงินทองไปซื้อของฟุ่มเฟือยไ ป, อไปซื้อของตามความอยากต่างๆ จะทำให้มีความติดความอยากนี้จะทำให้เราอยากไปเรื่อยๆ อ, อยากได้สิ่งนี้พอซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็เห็นสิ่งใหม่ก็อยากได้ใหม่ก็อยากไปซื้อใหม่มันก็จะทำให้เราต้องใช้เงินทองมากแล้วไม่ช้าก็เหลวเงินทองก็จะไม่พอใช้เราก็ต้องไปหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆ เพื่อที่เราจะได้ซื้อความสุขแบบนี้กันวิธีที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขแบบไม่ทำให้เราต้องมีความติดพันกับการใช้เงินทองแบบนี้ก็คือให้เอาไปใช้กับการทำบุญทำทานความสุขที่ได้จากการเอาเงินไปทำบุญทำทานก็ดีกว่าความสุขที่ได้จาก การไปซื้อข้าวของพุ่มเฟยหรือการไปเที่ยวเพราะมีความถาวรนกว่าอยู่กับใจได้นานกว่าแล้วก็ไม่มีโทษตามมาความสุขที่ไปได้จากการซื้อของพุ่มเฟยได้จากการไปเที่ยวนั้นมันมีโทษตามมาเพราะมันจะเป็นความสุขเดียวเดียว เป็นความสุขแบบควันไฟเวลาได้ไปเที่ยวได้ซื้อของที่อยากซื้อก็มีความสุขแต่พอกลับมาบ้านไม่นานก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่อยากไปเที่ยวใหม่อยากไปซื้อของใหม่ล้วถ้าไม่ได้เที่ยวไม่ได้ซื้อของใหม่ก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดความว้าเหว่เกิดความเศร้าซ้อยหงอยเหงา เกิดความหงุดหงิดเกิดความลาคาญใจต่างๆขึ้นมาในทางตรงกันข้ามถ้าเราเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้หรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็นนี้ไปทําบุญทําแล้วจะทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจกลับมาบ้านเราก็ยังมีความสุขใจอิ่มใจแล้วความอยากที่จะไปเที่ยวก็จะหายไป ความอยากที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็จะหายไปถ้าเราไม่มีเงินเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่บ้านเฉยๆได้ไม่มีเงินเราก็ไม่ต้องไปทำบุญก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินทำบุญก็ไม่เสียหายไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไม่มีเงินไปเที่ยวไม่มีเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือย อันนี้จะเกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนแก่ใจใจจะมีความรู้สึกหดเหยียดเศ้าซ้อยห้อยเหวว่าเวลำคาญใจนี่คือเรื่องของการทำทานเป็นการใช้เงินซื้อความสุขที่ถูกต้องอที่ไม่มีโทษตามมานี่สำหรับคนที่มีเงินทอง ที่ชอบเอาไปซื้อของตามความอยากต่างๆเอาไปเที่ยวเอาไปซื้อของที่ฟุ่มเฟือยเอาไปดูหนังฟังเพลงเอาไปกินเอาไปดื่มอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นความสุขที่เดียวๆแล้วมันจะทำให้เราต้องทำอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่สามารถทำได้เราก็จะมีความไม่สบายใจ ถึงแม้เราจะมีเงินแต่ร่างกายของเราไม่ช้าก็เร็วมันก็จะตอบสนองความอยากความต้องการของเราไม่ได้มันจะแก่ลงไปเรื่อยๆมันจะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องตายไปแต่ความอยากที่จะใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขนั้น มันจะทําให้เวลาที่ร่างกายเราแก่ร่างกายเราเจ็บนี้เดือดร้อนเพราะเราไม่สามารถไปทําตามความอยากต่างๆได้แต่การเอาเงินไปทําบุญนี้มันจะไม่เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาเราทําบุญแล้วใจเรามีความสุขมีความอิ่มใจเวลาไม่มีเงินทําบุญเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่มีเงินทาบุญเราก็ไม่ทำเท่านั้นเอง เราก็ยังไม่มีความรู้สึกหงดหงิดนำคาญใจเศร้าโศยหงอยเหงาว้าเว น, นี่คือเรื่องของคนที่มีเงินที่จะใช้เงินไปในทางที่ผิดผิดในทางที่ทําให้เกิดโทษแก่จิตใจเกิดความไม่สบายใจทําให้ใจไม่สบายใช้เงินแบบนี้แล้วจะทําให้ใจไม่สบายหลายด้านด้วยกันอ เวลาเงินหมดก็ไม่สบายใจเวลาไปหาเงินก็ไม่สบายใจมีแต่เรื่องไม่สบายใจตามมาถ้าใช้เงินตามความอยากแต่ใช้ถ้าใช้เงินไปกับการทำบุญนี้จะไม่มีความไม่สบายใจตามมาเมื่อไม่มีเงินใช้ทำบุญก็หยุดใช้เท่านั้นเอง ไม่ต้องไปหาเงินมาทำบุญก็ได้เพราะนอกจากบุญที่เกิดจากการทำบุญแล้วทำทานแล้วยังมีบุญอย่างอื่นที่เราสามารถทำกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองบุญข้อที่สองก็คือบุญที่เกิดจากการไม่กระทำบาปถ้าเรารักษาศีลห้าได้ละเว้นการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปด เดิมสราญเามาได้เราก็จะมีความสุขใจขึ้นมาอีกแบบหนึ่งความสุขใจนี้เกิดจากการที่เราไม่มีความทุกข์ใจที่เกิดจากการไปทำบาปนั่นเองเวลาทำบาปแล้วใจเราจะทุกข์ใจเราจะร้อนใจเราจะหวาดวิตกกังวลเพราะเมื่อทำบาปแล้วเรากลัวที่จะถูกไปจับลงโทษนั่นเอง แล้วถ้าถูกไถ้าถูกจับไปลงโทษก็ก็จะทำให้ทุกข์ใจเพิ่มขึ้นอีกเวลาต้องไปติดคุกติดตารางหรือเวลาต้องไปชดใช้ค่าเสียหายที่ไปสร้างให้แก่ผู้อื่นด้วยเงินทองก็ดีหรือด้วยการกระทาอะไรก็ดีก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่ทำบาปแล้ว ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นความสบายใจก็จะเกิดขึ้นแทนถ้าทาบาปแล้วจะไม่สบายใจถ้าไม่ทำบาปใจจะสบายใจจะมีความสุขใจจะไม่หวาดกลัวและจะไม่ต้องไปใช้โทษใช้กรรมที่เกิดจากการทำบาปการทำบาปนี้ก็มีผลตามมาอยู่ หลายอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือทางใจทำบาปแล้วใจจะไม่สบายใจจะมีความรู้สึกกังวลวิตกหวาดกลัวนี่ผลบาปที่ทำแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่มีใครรู้เลยว่าเราได้ทำบาปแล้วแต่เราเป็นผู้ทำบาปเรารู้แล้วผลของการทาบาปก็เกิดขึ้นแล้วคือความไม่สบายใจ ผลที่สองก็คือถ้าถูกจับได้ก็อาจจะต้องไปรับใช้โทษไปใช้โทษติดคุกติดตารางก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาผลอันนี้ไม่แน่นอนบางทีอาจจะโชคดีทําแล้วไม่มีใครรู้ก็เลยไม่มีใครมาจับไปเข้าคุกเข้าตารางจับไปลงโทษผลข้อที่สามที่จะเกิดขึ้นตามมา ก็คือหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจผู้กระทำบาปนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงผู้เป็นเครื่องมือของใจใจเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้ใช้ร่างกายไปทำบาปเหมือนกับเวลาที่เราขับรถแล้วเราไปชนคนตายเวลาตารวจเขาจับเขาไม่จับรถไปทำโทษ เขาจับคนขับเพราะรถเป็นเพียงเครื่องมือที่ทำให้คนตายแต่คนที่ขับนี่แหละเป็นคนทำให้คนตายถ้ามีความตั้งใจที่จะทำให้เขาตายร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ใจนี้ก็เป็นเหมือนคนขับเวลาคนขับคือใจสั่งให้ร่างกายไปทำบาปผู้ที่ทำบาปไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือร่างกายเขาไม่มีความรู้อะไรเขาเป็นวัตถุเหมือนกับรถยนต์รถยนต์เขาไม่รู้ว่าเขาไปชนคนตายร่างกายก็ไม่รู้ว่าไปฆ่าคนตายผู้ที่รู้ผู้ที่สั่งนี้คือใจผู้นี้แหละเป็น ผ, ผู้ที่จะไปรับโทษหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว เพราะอะไรเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเหมือนกับรถที่ชนคนตายไปแล้วรถพังรถเสียหายแต่คนขับไม่ได้พังไม่ได้เสียหายตํารวจเขาก็จะจับคนขับไปลงโทษจับไปติดคุกติดตารางใจก็เหมือนกันพอร่างกายตายไปใจก็จะถูกกดแห่งกรรมจับไปลงโทษอันนี้ไม่ หนีไม่พ้นหนียังไงก็หนีไม่พ้นเรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะามันเป็นไปโดยอัตโนมัติอพอทำบาปแล้วใจก็จะเปลี่ยนสภาพจากการเป็นมนุษย์ไปทันทีถ้าเราไม่ทำบาปเลยนี่เราจะเป็นมนุษย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอเราเริ่มทาบาปเราก็จะค่อยๆกลายจากการเป็นมนุษย์ไปเป็นเบสบ้างไปเป็นเดราชานบ้าง ไปเป็นอสุรกายบ้างไปเป็นนรกบ้างขึ้นอยู่กับสาเหตุของการทำบาปของเราว่าเราทำบาปด้วยสาเหตุอันดใดเช่นถ้าเราทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้อันนี้ใจของเราก็จะกลายเป็นเดรัจฉานไปถ้าเราทำบาปด้วยความโลภใจก็จะกลายเป็นเปรตไปถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุรกาย ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นก็จะเป็นนรกขึ้นมาร้อนเป็นไฟขึ้นมาเป็นตั้งแต่ร่างกายยังไม่ตายเป็นมากเป็นน้อยก็อยู่ที่ว่าทำมากทำน้อยทำบาปครั้งเดียวนี้ไม่ได้หมายความว่าจะกลายเป็นเป็นเดรัจฉานทั้งทั้งหมดเลยยังมีบางส่วนเป็นมนุษย์อยู่ะ ส่วนที่ยังไม่ทำบาปก็ยังมีอยู่ส่วนที่ทำบาปก็เป็นไปก็อยู่ที่ว่าทำมากทำน้อยถ้าทำน้อยก็เป็นน้อยทำมากก็เป็นมากถ้าทำอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำมันก็จะเป็นมากถ้านานทีนานทีทำสักครั้งหนึ่งก็ยังทําทำยังเอว่ายังเป็นไม่มากนี่คือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังที่เกิดจากการกระทำบาปหลังจากที่ตายไปแล้วการไปเกิดเป็นเดลฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกนี้มันไม่มีมันไม่เป็นสุขมันเป็นทุกข์เป็นสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเราสามารถรักษาศีล์ห้าได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปดไม่เดิมสรายามเมาได้เราจะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราได้เวลาตายไปแทนที่จะไปอบายเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องไปเกิดในอบายนอกจากว่าถ้าเราทำบุญด้วยนอกจากการที่เราไม่รักษาศีลแล้วเวลาเรามีเงินมีทอง แทนที่เราจะเอาเงินทองไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวกันเราก็เอาเงินไปทำบุญกันถ้าเราทำอย่างนี้เวลาตายไปเราจะไปเป็นเทวดาก่อนไปสวรรค์ก่อนการไปสวรรค์นี้เกิดจากเหตุสองบุญสองประการด้วยกันบุญข้อที่หนึ่งก็คือการไม่ทำบาปการรักษาศีลห้าสองการทำบุญตามอัตภาพ มีมากมีน้อยก็ทำไปตามอัตภาพสวรรค์ก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงหรือต่ำไปตามบุญที่ได้ทำไวมากน้อยทำน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำทำมากก็ได้สวรรค์ชั้นสูงสวรรค์ที่แบ่งเป็นต่ำหรือสูงก็อยู่ที่ความสุขที่จะได้ในสวรรค์เหล่านั้นสวรรค์ชั้นต่ำความสุขก็น้อยกว่าสวรรค์ชั้นสูง ถ้าทำบุญมากก็จะมีความสุขใจมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงถ้าทำบุญน้อยก็จะได้สวรรค์ชั้นต่ำได้ความสุขน้อยกว่านี่คือเหตุที่จะทำให้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะทำให้ผู้ที่รักษาศีลได้ผู้ที่ทาบุญได้จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาก่อน แล้วหลังจากที่บุญที่ได้ส่งไปให้ไปเป็นเทวดานั้นหมดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่บุญนี้ก็เป็นเหมือนน้ำมันรถยนต์น้ำมันรถยนต์เวลาเราเติมเต็มถังพอเราวิ่งไปสักระยะหนึ่งมันก็จะค่อยๆพร้องค่อยๆหมดไปเดี๋ยวไม่ช้าเราก็ต้องแวะจอดแวะจอดตาม สถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันใหม่บุญนี้ก็เหมือนกันพอบุญหมดเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มนุษย์นี้เป็นเป็นเหมือนสถานีบริการที่เราจะมาเติมบุญหรือเติมบาปกันวันนี้ผลจะมาอีกแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจถ้าอยากจะขยับขยายก็ ต้องขยับขยายถ้าจะนั่งต่อก็ก็อาจจะเปลี่ยงนิดหน่อยหรือว่าเทวดาจะปรอมน้ำปรอมน้ำมนให้รับน้ำมนจากเทวดาก็ไม่ต้องขยับขยับเข้ามาข้างในในสาลานี้ก็เข้ามาได้หรือสาลาด้านหลังก็ได้ เพียงทำบุญสองข้อแรกนี้เราก็ได้ประโยชน์มหาศาลแล้วเราจะสามารถรักษาความเป็นมนุษย์ของเราได้หรือไม่เช่นนั้นเราก็พัฒนาให้เราได้ไปเป็นเทวดากันตายไปเราจะไม่ขาดทุนตายไปเราไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าไม่ได้ไปเป็นเทวดาก็ได เป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแล้อันนี้เกิดจากการที่เราทําบุญสองข้อข้อหนึ่งคือทานการให้การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเก้าของเงินทองเรามีเงินทองเราเห็นใครเขาเดือดร้อนที่ไหนเดือดร้อนโรงพยาบาลโรงเรียนวัดวาอารามพระสงฆ์องค์เจ้า เราช่วยเหลือด้วยเงินทองไปเราก็จะได้ทำบุญขณะที่เราทำบุญเราก็ได้รับความสุขใจอิ่มใจแล้วก็จะไม่มีภัยต่อจิตใจเพราะถ้าเราไม่มีเงินทาบุญเราก็หยุดทาได้จะไม่รู้สึกเดือดร้อนใจไม่ได้ทำบุญเวลาไม่มีเงิน ไม่เหมือนกับเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเวลาไม่มีเงินเที่ยวไม่มีเงินซื้อของฟุ่มเฟือยจะเดือดเนื้อร้อนใจจะหงุดหงิดนำคาญใจจะอยู่บ้านไม่ติดอยู่บ้านไม่ไม่มีความสุขจะต้องดินไปหาเงินหาทองและอาจจะเสี่ยงต่อการไปทำบาปเพราะถ้าอยากจะหาเงินแบบง่ายๆหาเงินแบบเร็วๆแบบ ง่ายมากๆวิธีที่จะหาได้ก็คือต้องทําบาปไปช่อโกงด้วยวิธีการต่างๆนั่ที่เราคงจะได้อ่านในข่าวข่าวกันได้เห็นในข่าวข่าวกันคนที่ไปช่อโกงเงินของเงินทองของผู้อื่นเพราะต้องการที่จะเอาเงินทองไปซื้อของตามความอยากต่างๆนั่นเองพอเกิดความอยากแล้วมันไม่ได้ซื้อมันจะ หงุดหงิดลำคาญใจคนที่ไม่ทําบุญนี้จะเสี่ยงต่อการที่จะไปทําบาปด้วยโอกาสที่ตายไปแล้วจะต้องไปเกิดในอบายนี้มีมากสำหรับคนที่ไม่ได้ทําบุญแต่คนที่ทําบุญนี้โอกาสที่จะไปทําบาปนี้จะมีน้อยมากเพราะไม่มีอะไรมากดดันให้ต้องไปหาเงินหาทองมาทาบุญ พอเวลาไม่มีเงินทําบุญก็อยู่เฉยๆได้อยู่บ้านไม่เดือดร้อนมีความสุขมีความอิ่มความสบายใจที่เกิดจากการทําบุญมาในอดีตเนี่ยแล้วก็ถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่สูงกว่าการทําบุญทำทานการรักษาศีลพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทําบุญข้อที่สามคือให้ภาวนา การภาวนานี้เป็นการทำบุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองอเพียงแต่ให้รักษาศีลเพิ่มขึ้นอีกสามข้อคือศีลห้าให้ถือให้รักษาศีล8ปดเพราะการที่เราจะภาวนาได้เราต้องมีเวลาถ้าเราไม่ไม่ถือศีลแ8ดนี้เรายังสามารถไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เช่น เรายัางไปรับประทานอาหาร ย, ยามค่ําคืนได้เรายัางไปเที่ยวไปดูมหาสศดูหนังดูภาพยนตร์ได้ถึงไม่ได้ออกไม่ได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านอยู่บ้านก็ยังดูทีวีได้ดูละครได้ฟังเพลงได้ร่วมหลับนอนกับแฟนได้ถ้าเราอยากจะสร้างความสุขที่ใหญ่ยิ่งใหญ่กว่า ความสุขที่เราได้รับจากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีลห้าเราก็ต้องมาภาวนาการภาวนาได้เราก็ต้องถือศีลแปดเพราะศีลแปดจะให้เราละเว้นจากกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นความสุขที่สู้ความสุขที่จะได้จากความสงบไม่ได้เช่นการร่วมหลับนอนกับแฟนกับคู่ครองมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง แต่มันเป็นความสุขที่อยากกับความสุขที่จะได้จากการทำใจให้สงบเป็นความสุขที่ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินความสุขที่ร่วมหลับนอนกับแฟนหรือจากการลัดประทานอาหารตามความอยากต่างๆหรือจากการดูมหัศจรรยบันเทิงอันนี้เป็นความสุขชั่วคราวความสุขระยะสั้นๆแล้วก็ จะทำให้เกิดความหงเหวาเกิดความว้าเวได้เวลาที่ไม่สามารถที่จะหาความสุขเหล่านี้ได้แต่ความสุขที่เราจะได้จากการภาวนาคือส ม, มถภ า, าวนาขั้นที่หนึ่งและวิปัสสนาภาวนาขั้นที่สองนี้จะเป็นความสุขที่มีความน้ำหนักมากกว่ามีความสุขมากกว่ามีความ ทาวรมากกว่าจะอยู่กับใจไปได้นานกว่าน่าจะอยู่ไปได้เรื่อยๆเพราะถ้าเรารู้จักวิธีทําให้เกิดความสุขใจแล้วเกิดจากการภาวนาแล้วเราจะสามารถทําไปได้เรื่อยๆถึง แ, แม้เราจะเราไม่ต้องอาศัยอะไรมาสร้างความสุขแบบนี้ถ้าเราอาศัยความสุขทาความสุขแบบอื่นเราต้องอาศัยสิ่งอื่นมาให้ความสุขเช่นถ้าเรา ได้รับความสุขจากการดับนอนกับคู่ครองของเราเราก็ต้องมีคู่ครองเวลาใดที่เราเสียคู่ครองไปเวลานั้นเราก็จะไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้หรือถ้าเราหาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบตามความอยากเวลาที่ไม่สามารถรับประทานได้ก็จะไม่มีก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือถ้าเรา ไม่สามารถหาความสุขจากการดูภาพยนตร์มหรศลศพบันเทิงอะไรต่างๆได้เราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ความสุขที่เราได้จากการภาวนาคือสมถะภาวนาทำใจให้สงบนี้เราไม่ต้องใช้อะไรมาเป็นเครื่องมือสนับสนุน <c oughs> เราใช้ตัวเราเองใช้กำลังของใจเราเอง กำลังที่จะทำใจของเราให้สงบถ้าเรามีกำลังทำใจของเราให้สงบเราก็จะมีความสุขได้และเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากความสุขในรูปแบบอื่นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราถือศีลแปดกันเพื่อเราจะได้หยุดกิจกรรมหยุดการหาความสุขในรูปแบบอื่นเช่นศีลข้อสามก็ให้ถือเป็น ไม่ร่วมหลับนอนกับใครสีลงข้อหกก็คือไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากรับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็รับประทานไม่เกินเที่ยงวันก็พอเพื่อที่จะได้มีเวลาหลังจากเที่ยงวันจะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลมาคอยรอรับประทานอาหารอีกสองสามมื้อตามความอยากเพื่อเราจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบ เพราะการจะทำใจให้สงบนี้ต้องไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่นถ้าไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นไปรับประทานอาหารไปดูภาพยนตร์ไปฟังเพลงไปแต่งเนื้อแต่งตัวอันนี้จะไม่สามารถทำให้เรามีเวลามาทำใจให้สงบมาทำบุญในระดับภาวนานี้ได้บุญที่เกิดจากการภาวนาก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบ ต้องถือศีลแปดแล้วก็ต้องมีสถานที่ที่สงบที่ไม่มาลบกวนใจเพราะว่าการทำความสงบของใจนี้ต้องไม่มีอะไรมาคอยอลบกวนใจอะไรเป็นสิ่งที่ลบกวนใจก็คือแสงสีเสียงต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆของบุคคลของเหตุการณ์ต่างๆ ถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มีบุคคลพลุกพล่านมีเหตุการณ์ต่างๆมันจะเข้ามารบกวนกับการทําใจให้สงบใจเราจะอดที่จะไปคิดถึงสิ่งที่เรามาสัมผัสรับรูบร้ไม่ได้มีเสียงมากระทบกหัหูใจเราก็จะตามไปกับเสียงนั้นเห็นภาพก็จะตามไปกับภาพนั้นใจก็จะไม่อยู่นิ่งดังนั้นการที่จะทําใจให้สงบนี่ ต้องไปหาสถานที่ที่สงบที่ห่างไกลจากเหตุการ์ต่างๆจากบุคคลต่างๆอยู่ตามลำพังคนเดียวแล้วคอยควบคุมความคิดถ้าไม่มีเหตุการณ์ต่างๆมาดึงความคิดไปความคิดก็จะไม่ไปความคิดก็จะน้อยลงไปแต่ยังไม่หมดความคิดก็ยังคิดถึงคนนั้นคนนี้ได้อยู่คิดถึงเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ได้อยู่ อันนี้จะตามเป็นจะต้องใช้สติตัวที่จะมาหยุดความคิดได้สติก็คือการให้จิตระลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวถ้าให้ระลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวจิตก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ใช่นให้ระลึกรู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธให้มันพุทโธพุทโธไปเวลาใจคิดอะไรก็ใช้พุทโธสู้กับมัน มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราพุโทโธไม่หยุดเดี๋ยวความคิดก็จะหยุดเองแต่ถ้าเราหยุดก่อนความคิดเป็นก็จะไม่หยุดอันนี้คือวิธีฝึกใจทำใจให้สงบต้องมีอะไรมาคอยหยุดความคิดความคิดของเรานี้มันจะไม่หยุดโดยอัตโนมัติเราสั่งมันแล้วมันก็ยังไม่หยุดเพราะว่าเรายังไม่มีกาลังที่จะหยุดมันนั่นเอง แต่สหรับคนที่ฝึกสติมามากแล้วนี่พอก็เห็นว่ากำลังคิดเขาก็สั่งให้มันหยุดคิดได้เลยอย่างนี้เรียกว่ามีมีสติแล้วแต่ถ้ารู้ว่าคิดแล้วอยากจะให้หยุดคิดสั่งให้มันหยุดคิดมันไม่หยุดคิดก็แสดงว่าสติยังไม่มีกำลังพอถ้าไม่มีกาลังพอก็ต้องสร้างสติขึ้นมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือถ้า ไม่ฉะนั้นก็ให้เพ่งดูอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้อยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวเช่นถ้าเราไม่พุโทโธเราดูการกระทําของร่างกายก็ได้เช่นเราทําอะไรเราเดินก็คอยให้ดูว่าเรากําลังเดินอยู่อย่างเดียวให้เฝ้าดูการเดินของร่างกายเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เช่นดูตั้งแต่ยกเท้าก้าวขึ้นมาแล้วก็วาง ยกเท้าก้าวแล้วก็วางเดินไปหรือถ้าจะใช้คําว่าซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้เวลาเดินเราก็ดูเรากาลังก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาถ้าเราทําอย่างนี้เราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เราก็เป็นการสร้างสติขึ้นมาหยุดความคิดต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ซ้ายขวาซ้ายขวา พอเรามีกําลังแล้วพอมันจะหยุดพอมันจะคิดเราก็ให้มันดูที่เท้ามันก็หยุดคิดได้อันนี้เป็นการฝึกสติก่อนที่จะทําใจให้สงบการจะทําใจให้สงบนี้ต้องนั่งเฉยๆแล้วต้องมีสติที่มีกําลังพอถึงจะนั่งได้ถ้ามีสติกําลังไม่พอพอนั่งแล้วมันจะเกิดความอึดอัดขึ้นมาเพราะความคิดมันยังคิดอยู่คิดแล้วก็เกิดความอยาก อยากไปทำนู่นทนํานี่ไม่อยากจะมานั่งนั่นเองออไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากนั่งพอจะให้นั่งมันก็เลยรู้สึกอึดอัดบางทีมันก็เกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาอ่าอันนี้มันเป็นการสร้างภาพหลอกใจให้เราความจริงมันไม่เจ็บจริงเพิงแต่มันสร้างความรู้สึกว่าเจ็บเพราะใจไม่อยากที่จะนั่งนั่นเอง แต่ถ้าเรามีสตินี้มันจะไม่เกิดอาการเหล่านี้พอเรานั่งเราก็สามารถที่จะดูลมหายใจเข้าออกได้ถ้าเราอยากจะเพ่งเราก็เพ่งดูลมหายใจเข้าออกไปเราก็จะไม่คิดอะไรถ้าอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปเดี๋ยวความคิดก็จะหายไปหยุดไปแล้วใจก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเกิดจากการทำใจให้สงบนี้เองแต่เป็นแต่เป็นความสุขที่ยังไม่ถาวรเท่านั้นเพราะว่าเรายังต้องออกมาจากสมาธิเพื่อมาทำกิจกรรมทางร่างกายต่อไปเพราะร่างกายยังต้องได้รับการดูแลนั่งไปเดี๋ยวสักพักก็ต้องออกมา หาน้ำกินบ้างหาามขับถ่ายบ้างอะไรต่างๆเปลี่ยนเอเรียบทบ้างนั่งนานๆมันก็จะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ได้ก็ยังไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาพ อ, อ, อจากสมาธิมาความสงบก็จะค่อยๆหายไปเลื่อแล้วแต่ว่าใจไปคิดอะไรหรือไม่ถ้าใจไปคิดแล้วเกิดความอยากขึ้นมา ความอยากนี้ก็จะมาทำให้ความสงบนี่หายไปแต่ถ้าคิดไปในทางที่ไม่มีความอยากความสงบก็ยังจะมีอยู่ความสบายใจก็ยังมีอยู่ดังนั้นถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเกิดความอยากเราก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดความอยากเพราะไม่มีอะไรจะหยุดความอยากได้นอกจากปัญญาปัญญาคืออะไร คือการเห็นว่าสิ่งที่ความอยากต้องการนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขถึงแม้ว่าจะเป็นสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาก็จะสุขแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จะหายไปหมดไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันหายไปไม่ได้ความสุขที่เราไดจากการทาตามความอยากนี้มันจะหายไป เราห้ามันไม่ได้พอมันหายไปใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นมาอันนี้คือการเห็นไตรรักเรียกว่าปัญญาสิ่งที่ใจอยากได้นั้นเป็นไตรรักไม่เที่ยงไม่ใช่ของไม่ใช่อยู่ในภายใต้การควบคุมบังคับของเราสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันสุขไปตลอดเวลาไม่ได้ได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ เช่นได้ของมาใหม่ๆก็ใช้ได้ดีเดี๋ยวใช้ไปสักพักมันก็เสียพอเสียความสุขที่ได้จากมันก็หายไปความทุกข์ก็มาเพราะต้องเอาไปซ่อมเพราะใช้ไม่ได้อยากจะใช้ก็ใช้ไม่ได้เพราะมันเสียแล้วต้องเอาไปซ่อมต้องเสียเงินอีกก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้มันจะดีตอนต้นมันจะเป็นสุขตอนต้น แล้วเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมมันก็จะเสียแล้วมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปถ้าเรามีปัญญาเวลาเกิดความอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้คนนั้นคนนี้ก็จะได้เห็นว่าอยากไปอยากดีกว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียใจเดี๋ยวจะต้องทุกข์ใจเพราะสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวเขาก็ต้องเปลี่ยนไปหมดไปนี่คือปัญญาถ้าเราอยากที่จะ รักษาความสุขความสบายใจที่เกิดจากการทำใจให้สงบเนี่ยพอจากสมาธิมาใจเราจะสบายไปเรื่อยๆถ้าไม่มีความอยากแต่พอมีความอยากขึ้นมาในิจใจเราจะร้อนขึ้นมาทันทีวิธีจะแก้ความร้อนแก้ความอึดอัดแก้ความหงดดหงิ ด, ดนำคาญใจก็ต้องสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยาก ยังอยากจะไปสูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบสูบแล้วเดี๋ยวมันจะต้องสูบไปเรื่อยสูบแล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้จากการสูบบุหรี่ก็จะหมดไปแล้วพอความสุขหมดไปความอยากจะสูบบุหรี่ก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกก็ต้องไปสูบอีกสูบเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันพอแล้วสูบมากๆต่อไปก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะสูบไม่ได้เพราะร่างกายมันเจ็บ ถ้าสูปก็จะตายเท่านั้นนี่คือการใช้ปัญญาให้เห็นโทษของความอยากเวลาเราทำความอยากแล้วมันจะนำเราไปสู่ความหายนะไม่ใช่พาเราไปสู่ความความสุขความเจริญเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้มันจะทำให้เราติดและเวลาเราไม่ได้มันเราจะเสียใจเราจะทุกข์ใจ หรือเวลาที่มันหมดไปมันจะทำให้เราทุกข์ใจเสียใจนี่คือสิ่งที่เราต้องใช้ความคิดทางปัญญาเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิและเราอยากจะรักษาใจของเราให้มีความสงบให้สบายเราต้องฝืนความอยากทุกชนิดอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบอยากจะดื่มโซดาก็ไม่ดื่มอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่ม ถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าๆถ้าดื่มน้ำเปล่าๆนี้จะไม่เป็นปัญหาจะไม่เป็นความอยากเพราะมันเป็นความจําเป็นร่างกายต้องมีน้ำถึงจะอยู่ได้แต่ถ้าดื่มเพราะอยากจะได้รสชาติของมันดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้บางทีมันร่างกายไม่หิวน้ำแต่ใจมันหิวมันหิวกับรสชาติของเครื่องดื่มมันก็จะดื่มดื่มมากจนเกิน กิความต้องการของร่างกายทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปได้และเวลาไม่ได้ดื่มอยากแล้วไม่ได้ดื่มก็จะมีความไม่สบายใจทุกข์ใจแต่ถ้าเราฝืนความอยากเหล่านี้ได้ต่อไปความอยากเหล่านี้มันจะไม่กลับมามันจะไม่มารบกวนใจเรามันจะทำให้เราอยู่เฉยๆได้อยู่อย่างมีความสบายใจมีความสุขได้นี่คือ เรื่องของการทำบุญที่เกิดจากการภาวนามีสองขั้นขั้นแรกทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาขั้นที่สองให้ใช้ปัญญารักษาความสงบที่ได้จากความความสงบรักษาด้วยการไม่ให้ใจไปทำตามความอยากให้รู้ว่าการทำตามความอยากจะเป็นการสร้างความไม่สบายใจให้ใ ห, ให้กับใจต่อไป แล้วต่อไปเวลาไม่มีความอยากก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความรู้สึกอึดอัดรู้สึกวุ่นวายใจใจก็จะสบายไปตลอดนี่คือขั้นขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญาต้องผ่านขั้นสงบก่อนคือสมะถะหรือสมาธิก่อนได้สมาธิแล้วถึงค่อยไปขั้นปัญญาขั้นวิปัสสนาเพื่อที่จะใช้เป็น ตัวทําลายความอยากต่างๆที่จะมาทําลายความสงบที่ได้จากการการเข้าไปในสมาธินี่คือบุญข้อสามข้อแรกที่พระ เ, ะเจ้าทรงสอนให้พวกเราทํากันถ้าเราทําเพียงสามข้อแรกนี้ได้ก็พอเพียงแล้วเราจะได้เราจะได้ความสุขเต็มร้อยแล้วแต่ยังมีความสุขอย่างอื่นที่เราสามารถทาได้ แล้วแต่โอกาสนอกจากบุญที่เกิดจากการทําทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาแล้วก็ยังมีบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญเวลาผู้อื่นเขาทําบุญเราก็อนุโมทนาคือแสดงความยินดีดีใจไปกับเขาเราก็จะได้ความสุขใจเห็นว่าเออเขาทําบุญทําบุญแล้วดีดีสําหรับเขา ทำให้เขามีความสุขใจเราก็อยากจะให้เขามีความสุขใจพอเห็นเขามีความสุขใจเราก็ดีใจไปกับเขาอันนี้เรียกว่าอนุโมทนาบุญถ้าไม่อนุโมทนาก็จะไม่มีความสุขใจเช่นบางทีเราไม่ชอบเขาเห็นเขามีความสุขจากการทําบุญเราก็ไม่พอใจเราอิจฉาริษยาเขาเราก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าเราอมอง ถ้าเราไม่อิจฉาเขาแล้วเราเห็นว่าเป็นบุญของเขาเขามีโอกาสได้ทําบุญเขามีความสุขก็ดีสําหรับเขาเราก็ดีใจไปกับเขาด้วยอันนี้ก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาแล้วบุญ อ, อีกข้อหนึ่งที่ทรงสานีนเราทำอันนี้คือการอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเช่นเวลาเราทําทานเราถวายขอให้กับพระ นี่เราจะเกิดบุญขึ้นมาเกิดความสุขใจอิ่มใจเราสามารถแบ่งบุญส่วนนี้ให้แก่ผู้ที่ตายไปได้เช่นถ้าเราคิดถึงคนที่เรารักที่เราเคารพที่จากเราไปเช่นบิดามารดาสงสารเขาเป็นห่วงเขากลัวเขาจะตกทุกข์ยากลำบากเราก็ส่งบุญนี้ไปช่วยเขาได้ถ้าเขาอยู่ในสภาพที่เดือดร้อนขาดแคลน บุญที่เราส่งไปก็จะช่วยเหลือเขาได้จะบันเทาเพราะเขาเป็นเหมือนขอทานเขาต้องการ<ม>เงินที่เราจะให้เขาอันนี้ก็เราสามารถทำได้เวลาเราทําบุญเราก็อุทิศบุญกันไปเผื่อไว้เพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าผู้ที่ตายไปแล้วเขาอยู่ในสภาพไหนบางทีก็าอาจจะเป็นเทวดาก็ได้ ถ้าเขาเป็นเทวดาเขาก็มีบุญมากเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญของเราแต่ถ้าเขาเป็นเปรตนี่เขาเป็นพวกที่ต้องรอรับบุญของเราที่เราไม่รู้ทุกครั้งที่เราทำบุญเราก็อุทิศบุญเผื่อไปถ้าเขารอรับเขาก็จะได้รับถ้าเขาไม่ได้รอรับก็ไม่เสียหายแล้วก็ให้ผู้อื่นไปก็ได้เพราะมีคนตายไปที่ไม่มีญาติที่ มีความศรัทธาในเรื่องการทำบุญมีเยอะแยะไม่รู้ว่าญาติของเขากำลังรอรับบุญแต่ผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ชอบทำบุญไม่เชื่อบุญก็ญาติที่ตายไปก็จะไม่มีใครอุทิศบุญไปให้เราพวกที่เป็นชาวพุทธที่เชื่อบุญเชื่อในการอุทิศบุญเราก็อุทิศไปขั้นต้นเราก็เอ่ยถึงผู้คนที่เราต้องการอุทิศให้ก่อน เปนเขาอุทิศบุญส่วนนี้ให้กับบิดามารดาปู่ย่าตายายถ้าไม่มีถ้าท่านไม่ได้รับก็ให้สัพสัตทั้งหลายไปใครที่รอรับอยู่ก็ให้เขาเอาไปได้อย่างนี้ก็เป็นการทำทานอีกอย่างหนึ่งทำทานด้วยการทำบุญบุญที่เราได้จากการทำทานเราก็เอาไปทำบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ เราก็จะได้บุญขึ้นมาเราจะได้ความสุขใจขึ้นมาเราจะมีความสบายใจว่าเออวันนี้เราได้ส่งบุญไปให้พ่อให้แม่ให้ปู่ย่าตายายให้คนที่เรารักที่ล่วงลับไปแล้วการอุทิศบุญนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีพระมาสวดไม่ต้องมีพระมาสวดญาถาสัพพีมันไม่เกี่ยวกับพระในเรื่องของการอุทิศบุญนี้มันเกี่ยวกับผู้ที่อุทิศเท่านั้น ต้องมีบุญก่อนถึงจะอุทิศได้ต้องทำบุญก่อนเช่นใส่บาตรถวายสังฆทานพอทำแล้วก็จะเกิดบุญขึ้นมาพอได้บุญแล้วก็สามารถอุทิศได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำน้ำไม่จำเป็นไม่มีน้ำก็อุทิศได้เพราะน้ำไม่ใช่เป็นตัวบุญน้ำเป็นตัวอย่างของบุญเพราะบุญเป็นของที่มองไม่เห็นกับตาเลยเอาน้ามาเป็นตัวอย่างสมมติว่าน้านี่เป็นบุญ แล้วเราก็เทน้ำจากภาชนะหนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่งก็เหมือนถ่ายบุญจากใจเราไปสู่ใจของผู้ที่ร่งรับไปแล้วนี่คือความหมายของการใช้น้ำอุทิศบุญเป็นตัวอย่างระหว่างภ า, าชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่งคือจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งจากใจของเราไปสู่ใจของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วบุญนี้สามารถถ่ายทอดไปได้จากใจสู่ใจ Spy. แต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจว่าบุญเป็นยังไงเขาก็เลยให้ใช้น้ําเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองเวลาเราอุทิศบุญก็เหมือนเราเราเทน้ําออกจากภาชนะหนึ่งแล้วก็ใส่ไปอีกภาชนะหนึ่งเทบุญจากใจของเราเข้าไปสู่ใจของผู้ที่ร่วงลับไปแล้วแต่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีน้ําเพียงแต่ขอให้เราล้นลึกภายในใจขึ้นมาเท่านั้น มาขอทิศส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ที่ล่วงรับไปแล้วถ้ารอรับอยู่ก็ขอมารับไปได้เลยถ้าไม่ได้รับอถ้าทราบก็ขอให้อนุโมทนาสําหรับผู้ที่ไม่มีญาติถ้าต้องการมารับส่วนบุญส่วนนี้ก็ขอให้รับไปได้อันนี้ก็สําเร็จประโยชน์แล้วไม่จําเป็นจะต้องมีพระมาะสวดยาติท้าสัพเพ เพรการสวดญาตาสัพเพของพระนี้ไม่ได้เป็นการอุทิศบุญเป็นการสอนเป็นธรรมะญาตาสัพเพนี้ท่านสอนว่าบุญที่เราทํานี้เราสามารถอุทิศให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วได้และประโยชน์ที่ได้จากการทําบุญจากอุทิศบุญนี้จะทําให้เรามีชีวิตมีความเจริญในอายุวันนะสุขภาละเท่านั้นเองนี้คือเป็นคําสอนของพระเป็นการให้กําลังใจาญาติโยมว่า ทำบุญไม่สูญเปล่าอุทิศบุญไม่สูญเปล่ามีผลมีประโยชน์แก่จิตใจทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระดังนั้นไม่ต้องมีพระเวลาที่เราทำบุญไม่ต้องไปหาพระไปขอพระให้ช่วยสวนญาถาสัพพีไม่ต้องมีน้ำขอให้เรามีบุญน้นต้องเราต้องทำบุญก่อนเมื่อเราได้ทำบุญแล้วทีนี้เราก็สามารถอุทิศบุญนั้นได้เลย บุญอย่างอื่นนี้อุทิศได้ยากเพราะมันเกิดได้ยากเช่นญาติโยมอยากจะอุทิศบุญเวลาไหว้พระสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิแล้วเราอยากจะอุทิศบุญตอนนั้นบุญมันยังไม่เกิดเพราะยังไม่ได้ผลจิตยังไม่สงบจิตยังไม่เป็นสมาธิก็ยังไม่มีบุญที่จะอุทิศนเั้นจะอุทิศก็ต้องอุทิศตอนที่เวลาเราถวายทานใส่บาตรนี้บุญเกิดขึ้นแล้วใจเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้ว ทำบุญแบบนี้ง่ายกว่าแน่นอนกว่าแน่นอนกว่าบุญที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเพราะมันยังไม่สงบมันยังไม่ได้เป็นผลขึ้นมาพระพุทธเจ้าจะไม่ได้สอนให้ไปนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตแล้วก็อุทิศส่วนบุญท่านสอนให้เราทำบุญทำทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญนั้นไปนี่ก็คือเรื่องของบุญอุทิศนอกจากทำบุญอุทิศแล้วเรายัางสามารถ ทำบุญชนิดอื่นได้อีกถ้าเรามีโอกาสเช่นถ้าเราเห็นใครเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราไปช่วยเหลือเขาอันนี้เราก็ได้บุญบุญอย่างนี้เรียกว่าบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือหรือรับใช้ผู้อื่นอันนี้ก็ไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทองเราก็สามารถมีความสุขได้นอกจากนั้นก็ยังมีบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้าเราทําตัวเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือเนื้อถือตัวไม่อวดเก่งอวดดีเราก็จะได้บุญเราจะมีความสุขใจเพราะเราจะเข้ากับใครก็ได้ไม่มีใครเขาจะรังเกียจคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเป็นคนที่อวดเก่งอวดดีถือเนื้อถือตัวนี่จะไม่มีคนอยากจะเข้าใกล้ด้วยไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วย จะทำให้เราไม่มีความสุขใจเวลาที่เราจะต้องพบปากกับคนเพราะไม่มีใครเขาชอบไม่มีใครเขารักเรานั่นเองแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือเนื้อถือตัวไปอยู่ที่ไหนกับใครก็จะมีแต่คนรักคนชอบเราก็จะมีความสุขเวลาที่เราได้อยู่กับผู้อื่นนี่ก็คือบุญอีกอย่างหนึ่ง เราสามารถสร้างความสุขใจให้กับเราได้โดยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องการมีความเห็นที่ถูกต้องก็คือการเห็นว่าการทำบุญนี่แหละเป็นการสร้างความสุขที่ดีที่สุดดีกว่าการสร้างความสุขด้วยวิธีอื่นด้วยวิธีหาเงินหาทองแล้วก็ไปซื้อขา้าวซื้อของไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่น อันนี้เป็นความสุขที่มีพิษมีภัยตามมาแต่บุญที่เกิดจากการทำบุญนี้ไม่มีพิษไม่มีภยัยไม่มีเงินทองก็สามารถทำบุญได้รักษาศีลก็ได้บุญแล้วนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็ได้บุญนะมีปัญญาเห็นตอรักเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราหยุดความยากต่างๆได้ก็ได้บุญแล้วนี่คือการมีความเห็นที่ถูกต้อง และบุญอีกข้อหนึ่งที่จะเกิดก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าบุญคืออะไรวิธีจะทมบุญทาอย่างไรถ้าเราไม่รู้พอเรามาฟังเทศเราก็จะรู้เรื่องราวเหล่านี้รู้เรื่องของการทำบุญรู้เรื่องของการสร้างความสุขใจที่แท้จริงว่าสร้างอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้เราเกิดความเห็นที่ถูกต้องได้ ถ้าเรายังไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเรายังหลงคิดว่าความสุขคือการใช้เงินใช้ทองการหาเงินหาทองอยู่อันนี้เราก็จะหลงและเราก็จะเจอแต่ความทุกข์เพราะไม่ช้าก็แล้วเราจะต้องเสียสูญเสียเงินทองไปแล้วเราจะต้องเจอกับความทุกข์ถ้าเราไม่มีเงินทองซื้อความสุขต่างๆ แต่พอเรามาฟังเทศฟังธรรมเรารู้ว่าการจะซื้อความการจะมีความสุขนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองก็มีความสุขได้มันก็จะทำให้เราไม่ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ต้องไปทุกข์กับการหาเงินหาทองไม่ต้องทุกข์กับการเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเพราะเดี๋ยวมันหมดก็จะทุกข์ตามมาอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการที่เราฟังเทศฟังธรรมทาให้เรามีความสุขใจ มีความรู้ว่าวิธีหาความสุขใจนี่เราสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยมีการมีเงินมีทองแล้วบุญข้อสุดท้ายก็คือบุญที่แบ่งธรรมะให้แก่ผู้อื่นพอเรารู้จักธรรมะรู้จักวิธีสร้างความสุขใจว่าสร้างอย่างไรถ้ามีใครเขาอยากจะมีความสุขใจแล้วก็สอนเขาได้ถ้าเขาบ่นว่าเงินทองไม่พอใช้เดือดร้อนก็บอก ไม่เป็นไรไม่มีเงินทองก็มีความสุขใจได้ไปรักษาศีลรักษาศีลห้าได้ก็มีความสุขใจอทำตัวให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นก็มีความสุขได้ไม่ต้องจำเป็นจะต้องมีเงินทองเพียงอย่างเดียวหรือฝึกนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้ก็มีความสุขได้อันนี้ก็จะทาให้ผู้อื่นเขาเ ดุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจเวลาที่เขาไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีความสุขเพราะเราจะบอกเขาวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราให้ความสุขกับเขาเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาในใจเราเห็นเขาหายจากความทุกข์หายจากความเศร้าโศกเสียใจด้วยความด้วยคำสอนของเราเราก็จะมีความสุขใจขึ้นมานี่คือวิธีสร้างความสุขใจต่างๆที่เรียกว่าบุญ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราชาวพุทธมาทํากันเราจะทําบุญได้เราจะต้องมีเวลาเช่นวันนี้วันหยุดแทนที่เราจะไปหาความสุขแบบที่เป็นพิษเป็นภัยคือไปเที่ยวกันไปกินไปเดิ่มไปเล่นกันเราก็มาหาความสุขจากการทําบุญทําทานกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันมาฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบกันอันนี้เราก็จะได้กําไรบุญ ถ้าเราต้องไปทํางานวันนี้เราก็จะไม่สามารถมาทําบุญกันได้จึงขอให้เราพยายามหาเวลาที่เราว่างนี้มาทําบุญกันให้มากๆเพราะบุญนี้แหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราที่จะทําให้เราไม่ต้องทุกกับอะไรต่อไปต่อไปเราจะไม่ทุกกับความแก่ไม่ทุกกับความเจ็บไม่ทุกกับความตายไม่ทุกกับความาสูญเสีย บุคคลที่เรารักไปหรือสิ่งที่เรารักไปเช่นเข้าของเงินทองเพราะเรามีความสุขจากการทําบุญบุญจะทําให้เราสุขไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกับชีวิตร่างกายของเราหรือของผู้อื่นเราจะไม่ทุกข์ถ้าเรามีบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากระทากัน ดังนั้นก็ขอให้พวกเราพยายามทําบุญกันให้มากๆอย่าปล่อยเวลาอันมีค่านี้ด้วยการไม่ทําบุญอย่าไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเพราะมันจะทําให้เกิดพิษเกิดภัยเกิดอันตรายต่อจิตใจต่อไปได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวหาปุราปาเรปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกักปติอิชิตังปฏทิตังต um ุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยาถามณิโชติ พระโสยาาสพิธิโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิตสะนิจจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมวาทานติ อายุวันโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามฟังธรรมแล้วไม่เข้าใจก็ขอเชิญถามเตาะถามเพิ่มเติมได้จะถามด้วยตัวก็ได้หรือจะเขียนข้อความส่งมาให้ผู้เป็นพิธีกรอ่านให้ก็ได้ แต่ขอให้ถามในช่วงที่เรายังไม่ได้เลิกประชุมหลังจากที่เลิกประชุมแล้วขออนุญาตงวดตอบคำถามวันนี้ทางบ้านติดตามกันเท่าไหร่ f a c e b o o สามร้อสิบสี่คนครับ y o u t u ร้อยสิบสี่คนครับวิทยุยี่สิบคนผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยสิบคนรวมทั้งหมดเป็นห้าร้อยห้าสิบปดคนครับอาจารย์ สองห้านี่เดถ้ามันยังไม่มีใครอยากจะถามก็จะให้ทางบ้านอ่านคำถามทางบ้านก่อนก็ได้ถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาจะส่งไมโครโฟนไปให้กราบเรียนถามค่ะมีลูกหลานที่เป็นสมาธิสัน้นอยากพามาปฏิบัติธรรม ทำอย่างไรคะถึงเขาจะได้อยู่นิ่งสงบและปฏิบัติธรรมได้ในระหว่างฟังธรรมค่ะอ๋อ ม, มันเป็นของยากอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของที่จะแก้กันง่ายๆก็ต้องฝึกให้เขามีสติก่อนให้เขาทําอะไรให้เขาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขาทาอยู่ถ้ามันเป็นเด็กมันก็สอนยากเรื่องสติขนาดผู้ใหญ่ยังสอนสอนยากแล้วเด็กยิ่งไม่รู้ปภาษีภาษา ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมของมันค่อยๆสอนไปนะมันไม่ใช่เป็นของที่จะทํากันได้แบบง่ายๆรวดเร็วต้องใจเย็นๆแล้วก็ให้เขาพยายามจดจ่อสอนเขาสวดมนต์ไปก่อนอหันใ <Và S 2> ห <ades S 2> mm ้เ hmm. ขาหัดสวดมนต์ไปก่อนสวดอินทรปิโสสวดนโมตัสสะอะไรนี้ไปก่อน การสวดก็จะเป็นการฝึกให้มีสติขึ้นมา <c oughs> ทีละเล็กทีละน้อยอ่ะเดี๋ยวส่งกลับไปคออนญาติสอบถานนะครับพอดีป่วยใกล้ๆใหม่นะครับผมเป็นพยาบาลนะครับพอดีทำงานอยู่ห้องผ่าตัดแล้วพอดีมีคุณหมอนำหญิงตั้งครรภ์มาผ่า เพราะเด็กในในคันเป็นธาลัสซีเมียถ้าคลอดออกมาก็าจะพิการหรือเสียชีวิตได้คุณหมอก็เลยนำมาผ่าตัดเพื่อจะเอาเด็กออกครับแล้วในกรณีนี้ผมก็ช่วยคุณหมอในการผ่าตัดอยู่อยากถามพระอาจารย์ว่ า, อาตอนนี้คือบาปไหมครับเราก็มีส่วนร่วมการทำบาปนี ก็มีส่วนอี่างนี้ถ้าเราไม่อยากจะทํำบาปล้วก็ต้องขอตัวขอเข้าห้องน้ำไปหมอทําคนเดียวผมบดีปวดท้องคือเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหน้าที่ที่ต้อง <g ül> ก็ต้องเปลี่ยนหน้าที่นเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนหน้าที่หรือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแผนกอย่าไปทําแผนกที่ต้องฆ่าคนไปทําแผนกที่ช่วยรักษาชีวิต เราเป็นหมอเป็นพยาบาลหน้าที่หลักของเราคือช่วยคนรักษาชีวิตไม่ใช่มาฆ่าคนอถ้าคนมันบาปไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีพิการหรือไม่พิการเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ชีวิตเขาก็มีคุณค่าสําหรับเขาเท่าเท่ากับชีวิตของเราเราก็ไม่ไม่ไม่ไม่อยากให้ใครเขามาฆ่าเราใช่ไหมถ้าเขามาอ้างว่าคุณไม่ดีหน้าตาไม่หล่อต้องฆ่าคุณนี้คุณจะยอมไหมใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันเด็กนี่เขาพิการก็บอกว่าต้องฆ่ามันจะได้หมดปัญหาไปยนันต่อไปก็มาฆ่าคนคนพิการคนอะไรที่เกิดมาแล้วให้มันตายไปไม่ดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาคอยเลี้ยงดูกันดูแลกันอันนี้เป็นความคิดแบบคนที่ไม่มีไม่มีความเมตตาเหเราต้องมองชีวิตของทุทกคนว่ามีคุณค่าเหมือนกัน ถ้าเราเห็นชีวิตของเรามีคุณค่าคนอื่นก็ก็ต้องเห็นชีวิตของเขามีคุณค่าเหมือนกันเขาราักชีวิตของเขาเราก็รักชีวิตของเราเราไม่อยากให้ใครมาฆ่า <luk findings> เขาก็ไม่อยากให้ใครมาฆ่าเหา็นพระเ จ, จ้าถึงสอนว่าอยากฆ่ากันให้ตายโดยธรรมชาติมันเป็นกรรมของเขาที่จะต้องมาเกิดเป็นพิการก็เรื่องของเขาไปแล้วอย่าไปเป็นพระเจ้าแอย่าไปเป็นเ พ, เพชฌฆาตตัดสินชีวิตของผู้อื่นปล่อยให้กรรมเป็นผู้กรรม ก ำ, ำหนดชีวิตของเขาดีกว่าเขาทำกรรมันใดไว้เขาก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเท่านั้นเองนะงันะ้นอย่าไปเสี่ยงกับการได้เงินทองเงินเดือนมาไม่กี่ตังค์แล้วต้องไปเสี่ยงกับการตกนรกนะไปเกิดนายบายนะได้ไม่คุ้มค่ากนะ็ขอเปลี่ยนแผนกไปก็แล้วกันไปแผนกจ่ายยาหรือแผนกทำแผลหรืออะไรก็ได้นะ พอดีวันวันนั้นเป็นอีกทีมหนึ่งแต่พอดีอผมก็เข้าไปช่วยในลักษณะที่ทำออกมาเรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บของอะไรช่วยเขาแต่ไม่ได้ไม่ได้ถ้ามันเรียบร้อยแล้วเขาตายไปแล้วเราก็ไม่มีส่วนแต่ถ้าก็ยังไม่ตายเราไปช่วยทำให้เขาตายเราก็มีส่วนอันนี้สบายใจได้แล้วใช่อาจารถ้าไปเก็บของอะไรเงี้ยไปเก็บซากนี่เป็นสับประเอย่างี้ไม่เป็นไร เขาตายไปแล้วเราไม่มีส่วนทำให้เขาตายก็ไม่เป็นปัญหาเลยคนกาจอ่าทางนั้นต่อเลยพูดใกล้ๆไหมนะอันนี้ผ ม, มพบประจานครั้งที่สองครับตอนนั้นผมเป็นพระที่บวชจากวันประลาบกางสองเดือนก่อนตอนนี้เป็นกระวานนะที้ <laughs> ผมอยากจะกราบเรียนถามอาจารย์เล็กน้อยนะครับคือผมไปเข้าสัมมานาของฝรั่ง เขาก็สอนว่าชีวิตคนเราเนี่จะมีความสุขเราต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องแค่ติงบิ๊กมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็ต้องคิดตั้งโกที่เราต้องการเช่นว่าอยากมีเงินเดือนเท่านี้อยากมีบ้านอย่างนู้นอย่างนี้อยากมีรถอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับให้เราคิดถึงมันทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็เราเหมือนพยายามผลักตัวเองไปถึงอย่างเงี้ยแล้วเราจะมีความสุขอย่างเมันแต่พอมาคิดทางพุทธทางพุทธเหมือนกับว่า ให้เราอยู่สันโดษ้อใจสิ่งที่มีแล้วเราก็มีความสุขมันก็เหมือนว่า ม, มันก็เป็นความคิดที่ตรงกันข้ามกันนะครับแล้ว อ, อจา<ข>จารย์ครับอาจารย์มีความเห็นยังไงก็ความคิดหนึ่งก็เรียกว่าความคิดผิดยัไงมิจฉาทิฏฐิความคิดถึงเป็นความคิดถูกเหมือนสมัยก่อนคนคิดว่าโลกแบนกับคนที่คิดว่าโลกกลมมันก็เป็นความคิดที่ถูกอันนึงเริ่ต้องผิดอันนึ่งใช่ไหม คนสมัยก่อนเขาไม่มีปัญญาเขาไม่สามารถมองเห็นว่าเป็นโลกกลมเขาก็เลยคิดว่าเป็นโลกแบนเขาก็เลยอยู่แบบโลกแบนเขาไม่กล้าไปไหนนั่งเรือก็ไม่กล้าออกไปไกลกลัวจะตกขอบทะเลก็เลยทำให้เขาอยู่แบบแบบแบบไม่ตรงกับความเป็นจริงตอนหลังก็รู้ว่าเป็นโลกกลมนี่สามารถไปรอบโลกได้ไปไหนมาไหนได้ อันนี้ก็เหมือนกันคนที่พิสูจน์ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบความปราศ จ, จากความอยากของใจอันนี้ไม่มีใครรู้มีคนเดียวที่รู้ก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราทุกคนก็จะคิดว่าความสุขของเราอยู่ที่การได้ทําตามความอยากต่างๆในพวกนี้เขาเป็นพวกที่ไม่เคยได้สัมผัสกับคาสอนของพระพุทธเจ้าเขาเชื่อในความคิดเห็นของเขา เหมือนเขาเขาเชื่อว่าโลกนี้แบนเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังจากนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโลกนี้มันไม่แบนมันกลมเขาก็อยู่ไปตามทฤษฎีของเขาทฤษฎีของโลกแบนเขาก็มองคนที่ไม่มีคนได้สัมผัส ร, รับรู้ความคำสอนของพระเจ้าก็อยู่ในทฤษฎีว่าความสุขอยู่ที่เกิดจากการได้ทาตามความอยากอยา ก, อยากได้นู่นอยากได้นี่ก็พยายามทาหาทาให้มันเกิดขึ้นมา พอได้ก็มีความสุขแต่ไม่ได้มองว่ามันสุขได้นานเท่าไหร่สุขเดียวยวแล้วสิ่งที่ได้มาก็กลายเป็นความทุกข์เพราะอะไรต้องคอยคอยดูแลรักษาคอยกังวลเพราะของที่ได้มาโดยธรรมชาติของมันมันจะต้องเสื่อมมันจะต้องสิ้นมันจะต้องหมดจะต้องจากเราไปอันนี้มันไม่คิดกันพอได้ความสุขมาแล้วก็ได้ความทุกข์พ่วงมาด้วยโดยไม่รู้สึกตัว คือผมก็มาเทียบคืออย่างพุทธเจ้าเขสอนเรื่องมีการมีวิริยะมีความเพีย่ยนเพียรทําบุญไงเพียรทําความสุขใจไม่ได้เพียรไปในการสร้างความทุกข์ใจแบบทําตามความอยากต่างๆวิริยะคนละแบบแลอย่างการการตั้งเป้าหมายในชีวิตนี่มันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ดีแต่ให้มันถูกเป้าเลยอย่าไปตั้งเป้าที่ผิดตั้งเป้าผิดมันก็จะไปเจอความทุกข์ตั้งเป้าถูกก็จะเจอความสุข ตั้งเป้าด้วยการทำบุญสิบประการที่พุทธเจ้าสอนให้เราทำอันนี้รับรองจะได้ความสุขแน่ๆถ้าตั้งเป้าไปที่ลาบยศเสรอเสริญก็จะต้องเจอความทุกข์ต่อให้เป็นนายกก็ทุกข์เนี่ยไปถามนายกทุกวันนี้สุขหรือทุกข์ เ, ออเวลาได้เป็นใหม่ๆก็สุกนะแล้วตอนนี้ก็ถูกคอยมาเขีย่ยมาเตะมากันแนกะนแหนมาอะไรอยู่ทุกวันทุกเวลามีความสุขที่ไหนใช่ไห อ, อ เขาใจอย่างช่วยส่งมาใกลับมาทัางคำถามฝากถามจากทางไลน์ค่ะถ้าอดีตคนที่เคยทําบาปผิดศีลอาจผิดศีลข้อหนึ่งฆ่าสัตว์ปัจจุบันทําบุญทําทานรักษาศีลบาปที่เคยทําจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือไม่คะไม่เป็นหรอกถ้าเรามีความตั้งใจจะปฏิบัติเราสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อย่างพระ อย่างองคุลิมานี่ก็ฆ่าคนมาต้องเก้า้อ้าสบคนก็ยังไม่เป็นอุปสรรคพอได้เจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนบอกให้มาฆ่ากิเลสดีกว่าอย่าไปฆ่าคนฆ่าคนแล้วตกนรกฆ่ากิเลสแล้วไปนิพพานเขาก็เลยเปลี่ยนเป้าจากการฆ่าคนมาฆ่ากิเลสไม่กี่วันไม่กี่เดือนก็ได้เป็นได้ไปถึงพระนิพพานได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมา เพราะฉะนั้นกรรมเก่าที่เราทําไว้มันไม่เป็นอุปสรรคนอกจากว่ามันมาแสดงผลให้เท่านั้นเองถ้ารากองปฏิบัติธรรมเจ้ากรรมนายเวรเก่าตามมาทันมาฆ่าเราซะก่อนนี้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่บางทีถ้าเราบรรลุธรรมแล้วค่อยตามมาอย่างพระโมคคลานะนี่ท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก่อนแล้วเจ้ากรรมนายเวรค่อยตามมาทันท่านก็ไม่เดือดร้อนเลยอยากจะฆ่าท่านก็ปล่อยให้ฆ่าไป กรรมนี้ลระห้ามมันไม่ได้ถ้าถึงเวลามันจะส่งผลมันก็ต้องส่งผลคำถามจากทางลายมีสี่ข้อค่ะผมได้ภาวนามาประมาณห้าถึงหกปีโดยการเจริญสติทุกอริยาบทในชีวิตประจำวันจนถึงขณะก่อนจะหลับและจะเจริญสติแทบทุกครั้งที่รู้สึกตัวตื่นทำความสงบและพิจารณาทางด้านปัญญาสลับกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันครับการเรียนถามดังนี้ ปัจจุบันนี้ผมสติค่อนข้างดีมากทาอะไรผิดพลาดได้ยากมากๆากได้สิ่งที่ปรากฏคือข้อหนึ่งผมเป็นคนที่มีความจาดีมากแต่ปัจจุบันเรื่องไหนที่ไม่ตั้งใจจริงๆมักจะลืมง่ายมากๆก็เป็นธรรมดาความจาถ้ายิ่งอายุมากมันก็จะจดจําได้ยากขึ้นมันจะลืมได้ง่ายขึ้นมันเป็นธรรมชาติของความจาแต่สิ่งที่เรารู้นี้มันจะไม่ลืมสิ่งใดที่เรารู้เราเข้าใจนี้ มันจะอยู่กับเราเช่นเราเคยทําอะไรนี่มันจะไม่ลืมมันทําได้ขับรถได้มันก็จะขับไปได้เรื่อยๆเพราะมันไม่ต้องใช้ความจํา ม, มันใช้ความชํานาญอะไรที่เป็นความจานานแล้วมันจะไม่ลืมข้อสองในหลายๆครั้งต้องตั้งใจให้คิดถึงจะคิดได้คือต้องพาคิดก็าพาคิดไปเสียถ้ามันต้องพาคิดก็าาคิดไป ก็พามันคิดไปในทางที่เป็นมรรคก็แล้วกันอย่าพาคิดไปในทางที่เป็นสมุทัยอย่าสมุทัยก็คือทางของกิเลสตัณหาให้คิดไปในทางมรรคคือการละการลดละความอยากต่างๆลดละความโลภต่างๆให้มันคิดไปในทางนั้นก็เรา้มันคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มันคิดถึงความตายเรื่อยๆมันแล้วจะลดความโลภได้ลดความอยากได้ข้อสาม บางครั้งพอคิดถึงเรื่องธรรมะหรือเรื่องโลกก็ตามเมื่อคิดคิดไปความคิดนั้นจะหายวับไปตกไปบางครั้งคิดไม่ทันจบเรื่องนั้นเรื่องนั้นเหมือนไม่ได้คิดมาก่อนหน้านี้ถ้าไม่คิดก็ดีถ้าปล่อยให้ใจว่างได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรปัญตัวปัญหาก็คือตัวความคิดความคิดนี้มันเป็นปัญหาก็ได้เป็นประโยชน์ก็ได้ถ้ามันคิดไปในทางกิเลสก็เป็นปัญหาขึ้นมาทาให้ใจเราวุ่นวาย ถ้ามันคิดไปในทางธรรมะมันก็จะทำให้ใจเราสงบแต่ถ้ามันไม่คิดมันก็สงบอยู่ดียังไม่ต้องไปกังวลถ้าไม่มีความคิดดีไม่ต้องคิดให้รู้เฉยๆไปไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรข้อที่สี่ข้อสุดท้ายในหลายๆครั้งขณะพูดพอพู ด, พ, ดพูดไปความคิดในเรื่องที่พูดขณะนั้น น, นจะหายวับไปขาดไปจนบางทีพูดไม่จบในเรื่องนั้น ไม่ได้ลืมครับแต่มันขาดไปขาดก็ขาดไปเสรู้ไปตามความเป็นจริงหรือว่ามันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะทุกข์ก็ต่อเมื่อเราอยากที่จะให้มันพูดต่อแล้วมันไม่พูดเมื่อมันไม่พูดก็อย่าไปพูดมันเท่านั้นเองให้เราดูตามความเป็นจริงเข้าใจเราจะไม่ทุกข์ถ้าเรามองไปตามความอยากมันจะทําให้เราทุกข์มันไม่พูดแล้วเราอยากให้มันพูดเราก็จะทุกข์ขึ้นมา ถ้ามันไม่พูดก็ไม่พูดก็ไม่พูดเลยก็จบก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรตรงไหนคำถามจากคุณอุ้มมีน้องคนหนึ่งมาปรึกษาปัญหาต่างๆแล้วกระผมเลยบอกเขาว่าตั้งสติแล้วท่องพุทโธพุทโธพุทโธแล้วปัญญาจะเกิดกระผมทำถูกไหมครับช่วยแนะนาด้วยครับไม่ถูกหรอกคือปัญญาไม่เกิดจากการพุทโธพุทโธการพุทโธพุทโธจะเกิดความสงบ ทำให้ใจเราลืมเรื่องที่ทำให้เรากังวลหรือทุกข์ได้แต่มันจะไม่หายเพราะพอเราคิดถึงมันเมื่อไหร่เราก็จะทุกข์ขึ้นมาได้ทันทีดังนั้นการที่จะทำให้เกิดปัญญาได้เราต้องคิดถึงปัญหานั้นว่ามันเป็นปลายรักมันไม่เที่ยงมันเกิดของมันได้เดี๋ยวมันก็ดับของมันได้ถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเดี๋ยวมันก็ดับเองปัญหาของเราอยู่ที่เราไปอยากแก้ พอแก้ไม่ได้ก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเราสามารถระงับความวุ่นวายใจได้ถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ก็เท่านั้นเองใจเราก็จะสบายใจเราก็จะสงบคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะคุณศิดาพราหนูอยากทราบว่ายุงที่เป็นลูกน้ำที่ขังอยู่ในถ้วยเป็นจำนวนมากถ้าเทลงบนดินโดยไม่ไปปล่อยในน้าจะบาปไหมคะเพราะยุงเป็นพาหะ ตายหรือเปล่าถ้าตายก็บาปนะถ้าไม่ตายก็ไม่บาปมันมันอยู่บนดินได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ตายก็ไปปล่อยในบึงในลำคลองที่ไหนก็ได้เนี่ย ม, มันเป็นพาหะเราก็เป็นตัวร้ายเนี่ยเราฆ่าสัตว์กันมากมายเนี่ยฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายกันเยอะแยะทำไมเราไม่มาฆ่าพวกเราเองบ้างไปฆ่ายุงที่เป็นพาหะเห็นไห คำถามจากคุณสุธาสินีข้าพเจ้าอยากปฏิบัติละทุกอย่างไม่ไม่ทราบว่าไม่มีปัจจัยเลยจะบวชได้หรือไม่คะก็ไปหาวัดที่เขารับเราเลเพราะการไปอยู่วัดนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีเงินทองอยู่ที่ว่าเรามีคุณสมบัติที่จะอยู่วัดได้หรือเปล่าเช่นมีความขยันที่จะปฏิบัติหรือเปล่าความขยันที่จะทําภารกิจที่ ต้องจำเป็นจะต้องทําหรือเปล่าการทําตัวเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนหรือเปล่าอะไรทํานองนี้ดังนั้นถ้าเรามีคุณสมบัติเขาก็รับเราไม่จําเป็นจะต้องมีเงินทองแต่เราต้องยินดีกับสภาพที่เราเราได้ได้รับคือเราจะไปไปตั้งกฎเงื่อนไขต่างๆว่าจะต้องได้ที่นอนอย่างนั้นที่อยู่อย่างนี้จะต้องมีอาหารอย่างนั้นต้องมีอาหารอย่างนี้จะต้องไม่ต้องทําอย่างนู้นไม่ต้องทําอย่างนี้ ถ้าเราไปตั้งกดเงื่อนไขต่างๆแล้วนี้ก็ไปหาวัดอยู่ยากถ้าเราไม่มีเงื่อนไขเลยเรารับทุกอย่างที่ทางวัดเขาจะมอบให้เราเขาให้เราล้างซ้วมเราก็ล้างซ้วมเขาให้เราอยู่ในโรงครัวล้างถ้วยล้างชามเราก็ล้างถ้วยล้างชามก็คิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนค่าเราไม่มีเงินจ่ายค่าข้าวน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าที่อยู่อาศัยเราก็เอาเอาเวลาไปทางาน เป็นนายได้แทนทำงานในวัดแทนช่วยทำงานในวัดก็ไม่ได้ทำทั้งคืนทั้งวันใช่มทำช่วงช่วงที่มีการกระทำเท่านั้นเองหลังจากนั้นเราก็กลับไปอยู่ที่ภาคของเราปฏิบัติทําได้คำถามจากทัน Facebook คุณนัทธิดาหลังจากไหวพระสวดมนต์แล้วเอาเงินถวายพระใส่ในกระปุก แล้วค่อยโอนไปทําบุญทีหลังเป็นการทําบุญเหมือนกันหรือเปล่าเจ้าคะเหมือนถ้าได้โอนถ้าได้โอนเงินไปก็เหมือนแต่ถ้ายังไม่ได้โอนก็ยังไม่แน่เพราะเดี๋ยวเกิดเราเปลี่ยนใจไปขโมยเงินที่เราเอา อ, อไว้ทําบุญเราก็จะไม่ได้บุญคาถามจากคุณลิซ่าลูกขอกราบถามถึงการลอยอังคารและการการเก็บหัด อัฐิในการทำบุญที่ส่วนกุศลให้กับบรรพรบรุษไม่จำเป็นต้องมีอัฐิใช่ไหมคะหมายถึงไงไม่จำเป็นต้องมีอัฐิคือเวลาอุทิศบุญกุศลไม่จำเป็นต้องเอาอัฐิมาตั้งหรออ๋อไม่ต้้งแร้ไม่ต้อ ง, อองคำถามจากคุณสรรพบค่ะการนั่งสมาธินั้นเพื่อให้เกิดสติผมนั่งสมาธิไม่ค่อยได้เพราะรู้สึกว่ามันเหมือนการนั่งเฉยแต่ในชีวิตประจำวันนั้นการทากิจกรรมต่าง จิตมักจะจดจอ่ออยู่กับสิ่งที่กระทำอยู่ไม่หวั่นไหวนิ่งสงบแต่รู้สึกว่าจิตจะไวมากมันจะรู้ในสิ่งที่มากระทบว่าสิ่งใดดีควรน้อมเข้ามาใส่ตนและสิ่งใดไม่ดีควรเพิกเฉยหรือปล่อยวางเสียและจิตจะบอกกับใจว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นคือธรรมเช่นเห็นใบไม้ร่วงโรยจิตจะมองว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสุดท้ายก็ต้องดับสลายไปเป็นต้น การรู้ของจิตนั้นบางครั้งเหมือนเป็นการรู้ซ้อนรู้เช่นการเข้าไปร่วมพิธีอุปสมบทคนที่ไม่รู้จักแต่ชอบเข้าไปอนุโมทนาบุญด้วยเพราะเห็นว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาการที่ทำนองนี้ของผมถูกต้องไหมครับและใช้แนวทางในการปฏิบัติธรรมไหมครับการไปร่วมอนุโมทนาบุญก็เป็นวิธีที่ถูกต้องเห็นใครก็ทาคุณทาประโยชน์แล้วก็ไปแสดงความยินดี แล้วก็มีความสุขร่วมไป ก, กับการทําความดีของเขาแต่การที่เรามีสติแล้วเรามีความคิดรอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นสติที่จะสนับสนุนการทําใจให้สงบสติที่จะทํำให้ใจใสงบต้องไม่มีความคิดต้องให้รู้เฉยๆต้องดูเฉยๆเช่นเราดูการเดินของเราก็ดูไปเฉยๆไม่ใช่ไปวิาพากวิจารการเดินของเรา การทานองนี้ถ้ายังมีการวิพากษ์วิจาร์อยู่อันนี้ไม่ใช่ถือว่าเป็นสติที่เหมาะสมต่อการทําใจให้สงบเพราะเวลานั่งสมาธิเดี๋ยวเราดูลมเราก็จะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปใจก็จะไม่มีวันสงบได้การจะทําใจให้สงบต้องยุติการวิพากษ์วิจารณ์ให้รู้เฉยๆให้เพ่งเฉยๆให้ดูเฉยๆคําถามจากคุณนทัทธิดา ทำบุญใส่กระปุกและอุทิศบุญเขาจะได้รับเหมือนทำบุญถวายสังฆทานหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ได้เอาเงินนั้นไปมอบให้กับผู้รับนี่ยังไม่ได้บุญเป็นเพียงแต่แบ่งปันส่วนนี้ไว้เพื่อที่จะเอาไปถ้าอยากจะได้บุญต้องต้อ ง, ต, องต้องสละเงินนั้นไปไปแล้วไม่ได้เป็นของเราแล้วเราก็ถือว่าเราได้ความสุขใจที่เกิดจากการเสียสละนั้นไปแล้วเราก็สามารถอุทิศได้ คำถามจากเด็กชายเดียน้ำมการครับพระอาจารย์ผมขอความเมตตาพระอาจารย์ตอบคาถามสามข้อครับข้อหนึ่งการที่เราตำหนิด่าว่าโทษตัวเองเมื่อตอนทําผิดอย่างไร้สติแม้จะไม่ผิดศีลข้อห้าแลวทำให้รู้สึกหดหู่ทุกข์ในความผิดของตนทั้งวันอย่างนี้กระผมทำถูกหรือไม่ครับการดูด่าว่ากล่าวตักเตือนเรานี่ไม่ไมผิดถึงแม้จะว่าใช้คำหยาบก็ไม่ผิด ถ้าอยู่ในใจไม่ได้กล่าวออกมาทางวาจาเพราะบางทีกิเลสของเรามันหน้าด้านมันหยาบเราก็ต้องใช้คำหยาหยาบด่ามันให้มันเกิดความสะดึ้งเกิดความกลัวขึ้นมาถ้าด่ามาแล้วเราทำให้เราไม่กล้าทำอีกก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าด่าแล้วมันยังกลับมาทำเหมือนเดิมก็อย่าไปด่าให้สยเวลาะด่านี้เพื่อให้มันกหลับเพื่อให้มันเพื่อให้มันเลิกให้มันกลัว แต่ถ้าด่าไปแล้วมันไม่ได้ผลก็อย่าไปดา่าต้องหาวิธีอื่นเดีย๋ยวส่วนความไม่สบายใจก็ให้คิดว่าเราทำไปแล้วนี่แหละคือผลที่เกิดจากการทำบาปทำให้เราไม่สบายใจถ้าเราไม่อยากจะไม่สบายใจแบบนี้ต่อไปก็อย่าทำเอาความไม่สบายใจนี้มาเป็นบทเรียนสอนใจได้แต่อย่าไปอยากให้มันหายเพราะบางทีมันไม่หายเพราะเมื่อมันทาแล้วมันก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา ก็ต้องยอมรับสภาพไปแล้วซักระยะมันก็จะจางหายไปเองยิ่งอยากไปให้หายมันยิ่งไม่สบายใจใหญ่ข้อที่สองอสุภกรรมฐานเป็นสมถาภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาครับเพราะระหว่างภาวนาพุโทโธอยู่ก็มีความสงบเกิดขึ้นอยู่แต่นึกขึ้นว่าตนเป็นพวกราคะจริตเลยเปลี่ยนไปทำอสุภกรรมฐานแทน ตอนนั้นจําได้ว่าจิตท่องร่างกายเพลินและให้ความสงมบอย่างน่าประหลาดใจจึงสงสัยว่าอาสุภกรรมฐานเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสนาภ า, าวนาครับเป็นได้ทั้งสองอย่างถ้าเราถ้าเรามาใช้กับการนั่งสมาธิก็เป็นสมถภาวนาเช่นเพ่งอาการสาสิบสองพิจารณาอาการสาสิบสองหรืออาการใดาอาการหนึ่ง เล้วใจสงบจากการที่เราใช้การพิจารณาหรือเพ่งอาการเหล่านี้ก็เรียกว่าส ม, มัติวนาส่วนวิปัสสนาก็คือถ้าเราจําอาการต่างๆเหล่านี้ได้เวลาเราไปเห็นคนสวยคนเงาะคนหลอ่อแล้วเกิดความอารมณ์ขึ้นมาเราก็ให้นึกถึงอาการสามสิบสองขึ้นมาถ้าเรานึกขึ้นมาได้มันก็เป็นวิปัสสนาเพราะมันจะทําให้เราดับความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับเขาได้ ดับกามาล้มได้ก็เป็นวิปัสสนาข้อสามเรารู้ได้อย่างไรครับว่ากรรมฐานกองไหนที่ถูกจริตนิสัยของเราครับก็แล้วแต่มันเป็นเหมือนอย่าไงยารักษาโรคเวลาปวดหัวเราก็ต้องกินยาแก้ปวดหัวไปกินยาแก้ปวดท้องมันก็ไม่หายจริตเราก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็ราคะจริตบางทีก็โลภะจริตบางทีก็สัตว์มันแล้วแต่ ถ้าเราเป็นจริตแบบไหนเราก็ต้องใช้กรรมฐานแบบนั้นแก้ถ้าเกิดเกิดกามารมณ์ขึ้นมาก็ต้องใช้อสุภะขึ้นมาถ้าเกิดโลภขึ้นมาเกิดความโลภขึ้นมาก็ใช้มรณะนุส ต, ติขึ้นมาจะโลภไปทําไมเดี๋ยวก็ตายแล้วพอคิดถึงความตายมันก็หายโลภได้เราก็ต้องสังเกตดูว่าตอนนั้นจริตของเราเป็นแบบไหนแล้วจะต้องใช้อะไรมาแก้ ถ้าเป็นศรัทธาจฉิตเสื่อมศรัทธาก็ให้เราเลกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะทําให้ศรัทธากลับขึ้นมาได้ดังนั้นเราก็ในตัวเราเนี่ยมีหลายจริตมันสลับกันแสดงบทเหมือนตัวละครตัวละครบางทีตัวนี้ออกมาออกฉากมาตัวเดียวการตัวการออกมาเราก็ต้องใช้อสุภาษิตัวเสื่อมศรัทธาออกมาเราก็ต้องใช้ การเราเกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาเกิดตัวโรคโผลขึ้นมาเราก็ต้องใช้มรณานุสติคิดถึงความตายพอตายมันก็อยากไม่อยากโรคเนี่ยถ้าเราไม่สบายใจไปไม่ไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าอีกสามเดือนจะตายนี่เรายังอยากจะได้อะไรก็ว่าใช่ต้องคิดอย่างนี้แล้วก็จะสามารถกําจัดปัญหาต่างๆได้ ก่อนเราทุกคนมีหลายจริตมันเพียงแต่ว่ามันตัวไหนแรงกว่ากันท่านนี่บางคนแรงทางกามบางทีแรงทางโลกมันก็แล้วแต่หมดหรือยังคําถา ม, ม แ, แต่คนนี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วะถ้าหมดแล้วก็หมดเวลา <c oughs> ก็คิดว่าพอสมควร <c oughs> ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณา <c oughs> ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป Hun.